กลับมาดูหน้าก้าวขนะครับเมื่อกี้ว่าก็แล้วผ่านแล้วมั่งนี่ใช่ไหมผู้บริสุทธิ์วินัยนี่คะัะนี่ว่ากันแล้วขึ้นไปหน้าหน้าสิบนะครับหน้าสนะิบผู้ครมานั่นก็ว่าอะไรล้วอา่าที่บานข้อสิบห้าเลยนี่ครับกระทรบอุโบสถกรรมแก่พิสุผู้ครอัพานอับพานก็คือกิริยาที่เรียกเข้าหมู่นะมาเป็นผู้บริสุทธิ์ตางเดินเรียกนับพาน เรียกเข้านะคะับเราบอกว่าออห่อ อ, อาพาัพทานผมจะเข้า อ, อพาัพทานเราจะเรียกเข้าหมูนะแต่แทนที่จะทําอัพทานใกรรมให้กับเข้าประสมบทให้ก็เป็นการเรียกข้อมูลแทน อ, อพัพทาน กรรจริงวิบัติข้อวิสูจนั้นไม่แช่ในปรสัมันะครับเป็นอาไม่ใช่เนยไม่ใช่โยนะครัแล้วยังไม่แล้วยังไม่จัดเป็นผู้บริสุทธิ์จะอาบัติเพราะยังไม่ได้อภัานะครับอธิบายข้อสิบหกนะวันสามะคีของพิสูจน์ผู้แตกกันนะครับเกิดแตกแยกกันแล้วก็กลับมาทะเลาะกันกับการแยกกันก็กลับมาสามะคีกันได้ใช่ไหมก็ให้ลงปฏิโมลนั้นเลย และ ว, วันที่สิบสี่และ ว, วันที่สิบห้าเข้าตามแม่ที่ไรกาแล้วนะครับ <c oughs> ในสิบเอ็ดเดือนที่เหลือ <c oughs> ที่ไม่ใช่เดือนป ו ר วาลานะไอเดือนที่เหลือนะครับที่ลงปฏิโมกข์นนะั่ะนอกจากเดือนกติกานะครับในที่นี้หมายถึงหนึ่งเดือนตั้งแต่วันเพนเดือนสิบเอ็ดถึงวันเพนเดือนสิบสองเพรช่วงนี้เป็นเขตป ו ר วารณาเสียช่ว่าวันอุโบสถนะครับ ก็ช่วงที่ไม่ใช่วันปวนาใช่ไหมไอ้ที่เหลือสี่ข้ามสิบห้าคำแล้วก็สามขีนะก็เป็นวันลุบสถนะครับวันวันปวณาความจริงนะมันจะมีสองช่วงใช่ไหมปวณาของพิสุพุจําภาษาต้น่ะจะปวณาในวันอะไรวันเพ็ญเดือนสิบเอดใช่ไหมครับปวณาของพิสุพุจําภาษาหลังก็วันเพ็ญเดือนสิบสองต้องระดมระคงก็ดีนะครับนี่นะ ก็คือมันจะก่อนับการเดือนหนึ่งใช่ไหมเมื่อทีงยวอุโบสถในวันอื่นนะครับเว้นวันอุโบสถทั้งสามนั้นไม่ใช่สิบสี่ไม่ใช่สิบห้าไม่ใช่สามโมงทีนะครับเว้นสาประการอย่างนั้นเสียชื่อว่าที่ยวอุโบสถในวันม่ใช่วันอุโบสถนะก็ไม่ได้นะครับก็ในวันใดสุดทั้งหลายวิว่ากการข้เหตุเล็กน้อยเพื่อประโยชน์แก่บริคารมีบาทและชีวรเป็นต้นเกิดทะเลาะกันแย่งบาทชีวรนะครับ จีวังใครกันแน่เนี่ยครับชิงจีวังเนี่ น, นะครับมันเหมือนกันนะเหมือนกันเนี่ยใครควรจะได้บาปใบนี้นะครับเป็นของใครเป็นต้นนะครับจึงงดบวชหรือุปวานาเสียเนี่ยเห็นเลขกน้อยนะคนจีไม่ควรที่จะงดนะครับอันนี้พังงด น, นะไม่ลงโอุชสวดอุปวานานกันเลยวันนั้นน่ะเมื่อที่ก่อนนั้นวินิจฉัยแล้วนะคะรับพิจางรณาในวันนั้นย่อมไม่ได้เพื่อกล่าวว่าพวกเราเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน แล้วทําสามมังคีอยู่บนสดนะครับในวันอันเป็นระหว่างแห่งวันสิบสี่และสิบห้าค่ำวันนั้นถือว่าทําสามมังคีอยู่บสดไม่ได้เพราะว่าทะเลาะกันเพียงเล็กน้อยแล้วก็คืนดีกันได้ใช่ไหมสามมังคีอยูบสดมายถึงทะเลาะกันเยอะนะครับเป็นฝั่งเป็นฝ่ายด่าว่าอะไรกันหน้าดูเลยนะแล้วก็เกิดสามมังคีกันได้ก็ให้ทําโบนสดในวันนั้นแต่อันนี้มันแค่วิบากเพราะเหตุเล็กน้อยนะครับก็ทําสามมังคีอยู่บนสดนี้ได้ นอกจากที่โกสกับพีแล wow ้วคระแล้วมีที่ไหนอีกก็ไม่ได้ยินอีกนะครับไม่ยินเลยนะก็นอกจากว่ามีแต่ว่าไปแต่นีกายไปเลยนะที่สมัยนี้คงจะมีเยอะนะแต่คงไม่ได้ทำกันบางที่นะครับเขาบอกพระเข้ามาแต่นักเข้ามาที่นี่เขาบอกโอ้ที่ว่าก็ตีต่อยกันประจาน ทันหนุ่มเนี้ยนะฝ่ายกรรมการนะครับยิ่งถ้าปลดโอกาสให้โจรกันในวันพวนมาไม่ได้เลยนะเดี๋ยวมีเรื่องเลยนะครับยิ่งไปปลดโอกาสเลยมีเรื่องเลยครับข้บขนาดนั่นแหละนะท่าหนุ่มไฟแรงนะครับต่อไปนะครับอันนี่้นะวัน เมื่อกระทบอุโบสถชื่อว่าเป็นการกระทบในวันไม่ใช่วันอุโบสถนะครับอธิบายข้อสิบเจ็ดวันสามวันคีของสงฆ์ผู้แตะกันนะในเดือนกติกาเดือนเดียวในที่นี้หมายถึงหนึ่งเดือนตั้งแต่วันเพ็ญเดือนสิบเ็ดถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองนะครับเว้นสามวันคืออันนี้ท่านจะอธิบายถึงวันสามวันคีปวนาสามวันคีปวณาคือวันไหนธรรมดาวันปวรนาเนี่ย เพนเดิเดหรือว่าเพนเดือนสิบสองใช่ไหมแต่นี้นะครับบอกว่าสามวันที่ประวานาเนี่ยได้ตั้งแต่วั น, นครับแลมหนึ่งค่ํานะเดือนสิบเอ็ดใช่ไหมนะครับนีกันช่ไมไม่ใช่ม่ใช่ใช่ในะครับหนึ่งเดือนตั้งแต่วันเพนเดือนสิบเอ็ดนะครับแลมหนึ่งค่ําเดือนสิเอดแต่วันเพนเดือนเนี่ยนะไปถึงวันเพนเดือนสิบสองนะครับ อันนี้วันแรงวันหนึ่งนะที่เขาแตกสามมังคีกันใช่ไหมแล้วเกิดสามังคะีกันได้ครับก็พันาไดาะคะ้ครับภาวนาได้เลยวันแรวันหนึ่งะครับไม่เป็นหนึ่งค่อมสองค่อมสามค่ํานะไม่ใช่สิบสี่สิบห้าค่ําเลยใช่ไหมอันนั้นก็ลงภาวนาได้เลยนะครับก็เขตในภาวนาแค่นี้นะครับตั้งแต่เนี่ยก็ตั้งแต่วันแรงหนึ่งค่ําเลยเดือนสเอ็ดไปถึงขึ้นสิบห้าค่อมเดือนสิบสองนะครับได้แค่หนึ่งเดือนนี้ในเขตครับ คือวันขึ้นสิบห้าค่ำนะครับวันแรงสิบสี่ค่ำเดือนสิบเอ็ดและวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองนะครับ <c oughs> นี่นะบอกว่าเว้นสามวันนี้นะครับ <c oughs> ก็สามคิวมอสก์คื อ, อที่เหลือ <c oughs> <c oughs> ที่ไม่ใช่มาสี่สิบห้าใช่ไหม <c oughs> หนึ่นะครับวันที่สงเลื่อนของเวลานานไปเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นวันขึ้นสิบสามหรือสิบสี่ค่ำวามที่ได้อธิบายและแสดงลนานิทานใช่ไหม มีฟีสุผู้มากก่อควณอะไรเนะี่ยจะมาก่อควนใช่ไหมครับเราก็เลยทําอะไรนะ่ะเราก็เลยปวณาก่อนเลยะคะรับปวนาก่อนเลยดูทํำยังไงนะ่ะนับอุโบสถสิบห้าขั้ให้กลายเป็นสิบสี่ขั้ใช่ไหมเราจะได้ปวณากรเขานะครับถ้าเราเราย่นแค่วันเดียวเนี่ยเราก็จะปวาไดามาสิบสี่ขัําแต่ถ้าเราย่อทั้งสองวันใช่ไหมครับ ก็จะโบรณากรรมมา13ข้ามเรัเราทำสองโบสต์นะให้การเป็น14ข้ามหมดเลยใช่ไหมเราก็จะกอดทั้งสองวันถ้าทํามาเดียวก็กอดเข้าวันนะครับนะครับเดือน11นะหรือเลื่อนให้ช้าไปนะครับเป็นวันแรง14ข้าเดือน11นะครับนี่นะให้ไวขึ้นก่อนเข้าก็ได้ให้ช้ากว่าเข้าก็ได้นะครับหมายความว่าสมมติเราจบคาสาแรกเนี่ย เราจะปอยหนาวพรรษาวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเ็ดใช่ไหมครับแต่พอดูี่สูจผู้เกาะกลัอวออกมาเลยนะคะกกรับผู้กาะกลัวจะมาหาเรื่องนั่งโนตตนานะครับเราก็เลยบอกว่าวันนี้ยังไม่ต้องลงภาวนาให้ลงปฏิบัติบเฉยก็ขอเลื่อนภาวนาไปเป็นวันพระนะครับคือวันไรสิบสี่ค่ำเดือนสิบเอ็ดนะหรือนะคะรับเลื่อนไปอีกวันหนึ่งไปวัน 45, ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองไปเลยมีการเลื่อนภาวนาให้ช้าไปนะครับ และวันกลางเดือนสองครั้งนะครับหมายถึงวันเพนเดือสิบเอและวันเพนเดสิบสองตามปกตินะอันนี้ชื่อว่าวันปวณาที่บาดแลอาารยเคยที่ปาดแล้วนะเ <c oughs> มื่อปวณาในวันอื่นเว้นวันปวณาทั้งสี่ประการอย่างนี้เสียนะครับไอ้่ยังไงสี่ยังไงครับวันขึ่นสิบสี่ข้างวันขึ่นสิบห้าข้าง วันสามขีปปอลนาแล้วก็อะไรวันปวนาที่มีการเลื่อนใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับที่มีการเลื่อนครับชื่อว่าปวนาในวันไม่ใช่วันปวนานะครับแม้ในการโวนนี้เมื่อวิบ้านมีประมาณน้อยและนับลงนะครับเมื่อวิบ้านประมาณน้อยและนับลงที่สุดทั้งหลายย่อมไม่ได้เพื่อทาสามขีโปวนา เมื่อทำภาวนาย่อมเป็นอันกระำในวันไม่ใช่วันปราวนานะครับต้องแตกส่างเมื่อกีกันเยอะๆกัต่อไปนะครับต่อไป อ, อันนี้จบนะวัตถุวิบัติ น, น, นะครับต่อไปเร้ขึ้นยติวิบัติ น, นะครับอันนี้เราก็เรียนหมดแล้วน ะ, ะให้ฟังได้เลยหรือว่าจะข้ามไปเลยจะข้ามหรือไม่ข้ามครับให้ฟังก็ได้นะ ยติวิบัตินะครับถามว่ากรรมย่อมวิบัติโดยยติอย่างไรตอบว่ากรรมย่อมวิบัติโดยยติด้วยอาการห้าคือหนึ่งไม่ระบุวัตถุสองไม่ระบุสองสามไม่ระบุบุคคลสีไม่ระบุยติห้าตั้งยติภายหลังกรรมย่อมวิบัติโดยยติด้วยอาการห้านี้นะครับอถาธิบายกรรมวิบัติโดยยตินะครับอธิบายข้อหนึ่งข้อ ว, ว่าไม่ระบุวัตถุมีความว่า สองทำกรรมมีประสมบบเป็นต้นแก่บุคคลใดนะครับไม่ระบุชื่อบุคคลนั้นวัตถุก็หมายถึงคนที่จะบวญ น, นะครับไม่ระบุชื่อเขาเช่นเมื่อคนจะสวดว่าสุนาตุมเมพันเตฝังโค อ, อายังธรรมรคิตโตชื่อคนบวญ น, นะครับอายสมัตโตพุทธรคิตัดสากุปสัมปทาเปโขท่านผู้เจริญขอสองจงฟังข้าพเจ้าธรรมระคิตนี้เป็นปสัมปทาเป <c oughs> ของท่านพุทธลัคิต <c oughs> กับส่วนว่าสุนาตุเมพันเตสังโฆเว้นอายธรรมรลัคนโตไปเลยเว้นเลยไม่สวดเลยนะครับอายสมมาโตพุทธลัคนิตัสสะอุบสัมปทาไปโถท่านพจเจริญขอสองฆ์จงฟังข่าพระเจ้าอุบสัมปทาเปกของท่านพุทธลัคิตนะครับอย่างนี้ชื่อว่าไม่ระ บ, บุวัตถุนะครับไม่ชื่อคนบวชนะอธิบายข้อสองข้อว่าไม่ระ บ, บสุสง ก็ไม mm ่มีสังโคเองมีความว่างไม่ระบุชื่อสงเช่นเมื่อควรจะสวดว่าสุนาตุเมพันเตสังโคช่หมอายางธรรมระคีโตท่านบุเจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าธรรมระคีนี้กราบสวดว่านะครับสุนาตุเมพันเตอายางธรมระคีโตท่านุเจริญขอจงฟังข้าพเจ้าธรรมระคีนี้อย่างนี้เชื่อว่าไม่ระบุสง อธิบายข้อสาข้อว่าไม่ระบุบุคคลก็หมายถึงอุปชาไม่ระบุชื่ออุปชาครับมีความว่าพิสุใดเป็นอุปชาของประสัมพทาเปไม่ระบุพิสุนั้นนะครับคือ <c oughs> ไม่ระบุชื่อของพิสุนั้นเช่นเมื่อคนจะสวดว่าสุนาจิเมพันเตสังโขอายาธมรกิโตอิสัมโตภูริกิตตะสะนี่นั่นอะุปชาประสัมพทาเปรโข ท่านบูจเจริญขอสองจงฟังข้าพเจ้าธรรมระคิดนี้เป็นประสัมพัทาเปของธรรมอุทลคิดกับส่วนว่าสุนาตุเมพันเตสังโขอายาธรรมระคิตโตประสัมพันธเปรกโขท่านบูเจริญขอสองจงฟังข้าพเจ้าธรรมระคิดนี้เป็นประสัมพันธเปรนะครับของใครก็ไม่บอกนะอย่างนี้ชื่อว่าไม่ระบุบุคคลเสียอะไรนะพิบัติมูลยใช้ไม่ได้ครับ โ <c oughs> ยมเล่นไปน่ะครับอธิบายข้อสี่ข้อว่าไม่ระบุยตินะครับมีความว่าไม่ระบุยติโดยประการทั้งปวงโอ้ไม่จยออ ก, กตั้งยติเลยนะก็ใช้ไม่ได้นะครับคือในยติทุติยกรรมใช่ไหม ไม่ตั้งยตินะครับกระทำอนุสาวนากรรมด้วยกรรม ว, วาจาเท่านั้นสองครั้งก็สวดฐานไปเลยไม่ตั้งยตินะครับนี่ใช้ไม่ได้แม้ในยติจตุถกรรมนะครับก็ไม่ตั้งยติกระทำอนุสาวนากรรมด้วยกรรม ว, วาจาเท่านั้นสี่ครั้งไม่ระบุยติอย่างนี้วิบัติเลยนะครับอธิบายข้อสี่ข้อว่าตั้งยติภายหลังธรรมนานยติต้องตั้งก่อนใช่ไหมกลับไปตั้งภายหลังนะครับมีความว่า กระทำอนุสาวนากรรมด้วยกรรมวาจาก่อนและจึงสวดข้อความที่เป็นยติในภายหลังจบแล้วจึงกล่าวว่าเอสาญติมาสรุปยติหลังไม่ได้ครรมติสังคสสะตสมาจรุณเอวะเมตังคารยามิใช่อย่างนี้ชื่อว่าตั้งยติภายหลังให้ดูลายละเอียดได้ในวินยาณังกนาีการครับเล่มสองหน้าสองสสิบ กรรมวิบัติโดยยติด้วยอาการห้าเหล่านี้ด้วยประการชนิดต่อไปอนุสาวนาวิบัติเราจะอธิบายอีกทีนะถามว่ากรรมย่อมวิบัติโดยอนุสาวนาอย่างไรตอบว่ากรรมย่อมวิบัติโดยอนุสาวนาด้วยอาการห้านะครับคือหนึ่งไม่ระบุวัตถุนะครับสองไม่ระบุสงฆสามไม่ระบุบุคคลอันนี้คำอธิบายเหมืนเมื่อกี้นะครับ สีทททท่ทิ้งอนุสาวนาจะแท้จริยวิบัติยังไงทิ้อนุสาวนาต้งคืออะไรนะ ม, มันตัดบางคาออกไปแล้ว อ, อยาอาเกินตัดตรงนั้นตัวนี้ออกไปอย่างเงี้ยนะหรือว่าสวดอัคคระนะครับผิดนะครับไม่ถูกต้องมีนะห้าส่วนอนุสาวนาในการไม่ควรไม่ควร น, นะครับกรรมย่อมอวิบัติโดยอนุสาวนาด้วยการห้ามอธิบายกรรมวิบัติโดยอนุสาวนา อธิบายข้อหนึ่งถึงข้อสามนะครับก่อนอื่นวัตถุเป็นต้นพึงทราบตามในที่กล่าวแล้วนั่นแล้ก็การไม่ระบุวัตถุถเป็นต้นเหล่านั้นย่อมมีอย่างนในอนิสสาวนาที่หนึ่งว่าสุนาตุเมพันเตถังโคก็ดีในมนิสมานาที่สองที่สาม ท, ท, ที่ว่าทุติยมปิเอตัมมัถังวะทามินะเอตัมมัถังนี่มันมันกันเสียดีในต้องก็เห็นนะครับวะทามิ ไป ต, ตัดยอมปีเอตัมมัทังวะทามิาาสุนาริตเมพันเดสังโฆก็ดีเมื่อควรจะสวดต่อว่าอายังธมรักิตโต อ, อายสมะโตพุทธลักขิตต่อสัวุสมะลาเปโขกล่าวสวดว่าสุนาริตเมพันเดสังโฆอายังพุทธลักขิตอายะสมะโตนะครับพุทธลักิตต่อสาวดังนี้เชื่อนไม่ระบุว่าถูุคือคนบวชครับ เมื่อควรจะสวดว่าสุนาติเมพันเดสังโฆอยังธรรมระคีโตกล่าวสวดว่าสุนาติเมพันเดอยังธรรมระคีโตเหล่านี้เชื่อไม่ระบุสองสังโฆเมื่อควรจะสวดว่าสุนาติเมพันเดสังโฆอยังปัตธรรมระคีโตอาเยสมมาโตพุทละคีตัสสานุปปชาเนี่ยกล่าวสวดว่าสุนาติเมพันเดสังโฆอยังธรรมระคีโต วสัมปทานไปโขนดังนี้เชื่อมาระบุวัตถุนะครับต่อปานิสายใจให้ดีนะอันนี้สำคัญนะครับอธิบายข้อสี่ข้อว่าทิ้งอนุสาวนาครับมีความว่าไม่กะทำการสุดประกาศ้วยกรมกรมวจาร์ด้วยประกาศทั้งปวงครับตั้งยติรั้วสองครั้งตั้งยตินะประกาศสองแจ้งจสองสร้างอย่างเดียวไม่มีการสวดถามเลยนะครับ ในยติธุติยกรรมนะครับตั้งยติรู้ว่าสี่ครั้งในยติจุตยกรรมอันนี้ชื่อว่าทิ้งอนุสัมวนาสี่อย่างนี้ใช้ไม่ได้ในยติธุติยกรรมนะครัแม้ี่สูได้ครั้งตั้งยติหนึ่งครั้งแล้วเมื่อสวดกรรมวาจาหนึ่งครั้งนะครับได้ทิ้งอัคระหรือปดเสียหรือว่าสูดผิดนะครับนะแม้ี่สูนี้ก็ชื่อว่าทิ้งอนุสัมวนาเช่นกันนะครับเป็นยังไง ตั้งยันติครั้งหนึ่งส่วนลูกสัมวนากรรมปัจจคั้งหนึ่งนะทิ้งอัคคระหรือบทเสียนะครับหมายว่าแกตัดบางบาตัวไปนะมันยากเกินนะครับหรือว่าเผลอสติยังไงไม่ดูนะไม่ได้สวดตรงนั้นนะครับอันน้เสร็จเลยนะมันต้องทุกตัวต้องสวดหมดนะทุกทัครนะทุกบยหรือว่าสวผดผิดเนี่ยสวยอดอัคคระฐานกรอะไรไม่ได้นะครับนี่ก็ไม่ได้นะ นี่ก็คือว่าทิ้งอนุสาวรนาเหมือกันเดี๋ท่านจะอธิบายนะครับส่วนในยติจดุถกรรมครั้งตั้งยติหอหนึงแล้วเมื่อสวดประการด้วยกรรมวาจาก็สวดเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งก็ดีมาต้องสวดกรรมวาจาถึงสามใช่ไหมมันจะได้ครบสี่นะอันนี้สวดไม่ครบนะนะครับทิ้งอัคาะหรือบทเสีย ก, ก็ดีสวดผินผิดก็ดีพึงทราบว่าทิ้งอนุสาวรนาเช่นกัน ขี้เกียจสวดว่สีรครั้งมานานตั้งยึติแล้วก็สวดกรรมบรมจาครั้งในพ่อไม่ได้เปยติจุดจุดตัดกรรมใช่ไหมั้งยึดตีาาครั้งในความ็อุ้มสาวนักสามครั้งเดินไปขี้เกียจสวเอาเป็นตติยังปีเปเลยทีเดียวนี้นะครับไม่ได้นะมีบ่าวหมดนะครับ <c oughs> นี้ก็วินิจฉัยในคําว่าสวดผิดนี้ฟึ้นซ่านดังนี้นะคะรับที่สูงใดในเมื่อนตอนควรจะกล่าวขละอื่นๆคือตัวนี้ใช่ไหม เป็นสังโคนะครับอืมประป่าอัคระอื่นะครับก็เสียเป็นสองโค้อควายคอะคังต่างกันนะคอระคังต้องเน้นใช่ไหเสียงหนักนะครับแต่ออกเป็นสีคอควายนี้นะครับก็เสียนะเป็นต้นเพื่อตัวอย่าที่สิ่งนี้ชื่อว่าสวดผิดนะครับ เพราะเห็นนั้นพิสุภูจะสวดกรรมวาจาพึงสนใจให้ดีซึ่งประเภทแห่งพยัญชนะที่ท่านกล่าวไว้มากน <S <S เนี่ยนะต้องมีฉันท่านะครับโอถ้าจะพน้นวิสัยเรก็ต้องสวดกรรมวาจาหน้เหมือนกั น, นผมนี่ระบายผมยังหากสวดไม่ได้ น, นี่ระบางมากนะักหนาพิพุนี้ท่องหน้านะครับแล้วก็ไกลนะนะักไกลคนวิสัยนะ <c oughs> มาติดกรรมวาจาเนีย่ยยังสวดไม่ได้ ระวังมากครับมานตีคนหรือข้อไม่ถ้าคนไม่คิดมากดีนะผมระวังพัม่มอะไรนะเดืยดฐานกรอะไรจังไม่ได้แค่นนในขนาดขนาดไม่มีปัญหาหอกมันกลัวหรอฟังโคเสียงหนักเสียงเบานะหรือเสียงนี้ก็หินนะครับ <c oughs> ประทัดพลังได้นะครับแต่ถึงขนาดฐานกรเนนะี่ยมันต้องตรงนั้นไปแตะดินแตกเพดานนะครับมันเดืมาดมั่วตัวหมดนะ ไอเน้นก็จะเน้นไอแตะก็จะแตะ<ห>จะแตะจะปล่อยจะอะไรนะไอใจมันก็ต้องดูตัวเพียชนะบนหนังสือด้วยใช่ไหมมันก็ต้องกลับมาใส่ใจที่ลิ้นด้วยนะครับพันทุนนนะนกหมดทีออ่ะ <laughs> ลำบากนะมากเลย <c oughs> ครับคิดสุกเลยครัแต่มางคนข้าวข้าวจะไม่ได้เน้นอะไรขนานี้บางทีนะครับ <c oughs> เขาจะเน้นตรงที่ว่าอะไรนะเ <c oughs> สียงหนักเสียงเบาใช่ไหม นี่ก็เห็นอะไรพวกนั้นนะครับยากเหมือกันแต่เนี่ยจางมอนส่วนดีนะอาจางมอถุกว่าส่วนดีนะครับจางสมบูรณ์จางมอแล้วก็ใข่นะแล้วพี่เก๋นี่นะครับเห็นสามลูปนี้นะสุดยอดก็เคยนะครับแต่ไม่ใช่แลก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าหอมจางมอแน่นอนมันจะนิ่มไงนุ่นแล้วก็แบบนี่คือจะเน้นที่ก้าวทีมอเลย กูอพระนี่นะครับจะเป็นพระกรรมวาจานี่มันต้องใส่ใจเพลียนชนะพูดทีได้ให้ดีนะครับต้องเข้าใจเลยอคาิตรงไหนแต่อะไรยังไงนะความแตกต่างกัหนเพื่อให้เข้าใจเปลี่ยนชนะมีสิบอย่างคือมีสิทธิละนะครับเสียงอ่อนทันต้ตาเสียงแข็ง ทีฆ่าเสียงยาวราาักษาเสียงสั้นฆ่ารู้เสียงหนักและหูเสียงเบานี่ก็อเหตุเสียงขึ้นจมูกนะเสียงกดจมูกสัมพันธะเสียงคำผู้ที่ต้องพูดติด ก, กันนะครับวสิตานะครับคือคาที่ต้องแยกกันวิมุนก็เสียงที่ปล่อยออกทางปากธรรมดาไม่ต้องไปขึ้นจมูกนะครับนี่นะคนรับครโคร ติม่คังช่ครับ <15. S 1> ถ้าเป็นอะไรนะอันนี้พี่แยกออกท้ง ข, ข, ข้อขั้อันนี้ขึข้นจมูกนขึ้นจมูกครับข้อคั่งครับสูงเนี่ย น, นะหน้าตุพวกนี้ก็ธรรมาดาไม่ได้กดฐานกรอ น, นะะ <c oughs> ดูกลับวังนะท่านก็แบ่งเพื่อนชนะหรอว่านวังใช่ไหมนีม่ปัญหานะครับมีเพื่อนชนะภาษาบาลีมียี่สิบยี่สิายนะยี่สิห้าตัวใช่ไหมครับ แบ่งได้เป็นห้าวัตแต่และวัตก็มีห้าตัวนะครับห้าห้าก็ได้ยี่สิบห้านะครับก็ดีเลยภาษา marca. ภาษาไทยมีสารสามตัวใช่ไมัม้ยงใไมัน่ใช่พยัญชนะอยเสยนะครับมีสารมสารศมีกี่ตัวนะครับภาษาไทยมีสิบสมีสองหรือสิบสามษาไทยสรัาเท่าไหร่นะครับสิสองาสนาเท่าไห่ศรอ๋อ พียงชนะสิบสี่เลยนะโอ้เยองจริงๆนะนั่ 3, 3, นเนี่ยนึกวาสามสามสามสามสองใช่ไหมเพียงชนะสิบสี่นะครับโอ้เยอะมาศ า, นะ น, า 3, นะครับแค่ที่สามสองถ้าพูดถึงการออกเสียงการการไอตัวเพียงชนะนะภาษาบาลีนี่ง่ายกว่านะครับเพียงชนะสนามมาเยอะใช่ไหมภาษาไทยเนือ้อหเสียงหลากหลายนะครับเขาของเขานะี่แค่เปลี่ยนเป็นไรนะ เสียงสูงเสียงต่งําเสียงกลางนั่นเองนะครับแต่คราวนนี้ผมเพียรชนะแยกนะครับเรียวมากนะเพียรชนะสลับนะครับพอทีมเพียรชนะซ้ํากันไงคอก็ไม่รู้กี่คอสอก็ไม่รู้กี่สอนะครับว่าเอาสังเกตุมาด้วยนะครับนี่นะกาว่างนะครับกะกะคะกะงนะนะครับไอตรงที่วงไว้คือธนิตาเสียงแข็งนะ ที่มันไม่บอกคือเสียงออกธรรมดาจะวังนะครับจะจะาจะจะ น, นะแต่ว่างครับต่ค่ะค่ะคนะอันนี้ออกเปนตอนเด็ก่ไหมแนาีผมก็ออกเป็น<ต>า่าธรร ม, ม, มดาเะครับเห็นเขาบอกว่าถ้าไม่ออกเป็นดามันจะไม่ในฐานเขามันจะไม่แตกนะโ<ม>ที่สุวเขาบอกนั้นนะครับอันนี้ต่ว่งครับต่ค่ะ ท่าท่าะปะวกนะครับปะผาพ้าผ้ามะนะครับโอ้พระโามมทีนจริงะมมทูออกออกเป็นดักตากจาคมายินเสียงอาจารย์ใชครับผมจอบเปนออกเป็นนอนเด็กครับอาจารย์พระรามแก่อาชีวะผุ่มความมีเส <entra> <you> euh ียงอาจารย์ ออกเป็นดอเด็กแค่ช่วยทำงานช่วยท่านทำงานี่หนที่ใหญ่ได้ครับก็บันทิตดงานก็ไม่ออกเป็นบัณทิดเลยใช่ไหมนีม่ครั บ, รบแต่ภาษาไทยไม่แน่นะภาษาไทยมันดีออกตามความนิยมนะครับบางที่ก็ออกเป็นดอนเด็กบางที่ก็ออกเป็นทอทหารนุ่นจออย่างไงภาษาไทยก็เอาตามความนิยมนะมันไม่ตายตัวดิ้นได้นะครับได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ไง ไม่ใช่ภาษาบาลีที่รักษาพุทธพจ์ได้ใช่ไหมครับถ้าภาษาบาลีเขาเขามีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับมันไม่ได้ดิ้นกลับไปกลับมาภาษาไทยนะนะครับต่างว่างนะครับต่างถาถ้าถ้าน้าปาว่างนะครับผ่าผ่าผ่าผ่ามา คตัวสุดท้ายของว่างตัวที่ห้าของว่างเนี่ยมันต้องมีเสียงขึ้นจมูกหน่อยนะครับเนี่ยะครับเนี่ยเนี่ยนะนะมานะครับส่วนไอ้ว่างสุดท้ายปากว่างนะต้องมีลิ้นปีปามากระทบกันนะครับปาปาปากปากปากมาครับภาษาไทนก็เป็นยุคลิดมันต้องแตกแล้วใช่ไหมเนี่ยมอมไม่ได้ ลองพูดปอปลาแบบไม่ต้องรีบ ฟ, ฟังมันแตกกันได้ไหมไม่ออกอยู่แล้มันต้องแตกอย่้ใช่ฮะไม่ออกอยู่นะครับมันจบเป็นตัวอื่นนะอย่างงี้มันมต้องแตก อ, <laughs> ออกไม่ได้ออกไม่ได้ไมันต้องแตกอยูนะ่แล้วมันฆากัานะ ทีนี้เรามาดูคำที่บาทท่านนะครับท่านบอกว่าในสิบย่างนี้ที่ยังชนะที่หนึ่งและที่สามทั้งห้าเลยนะครับชื่อว่าสตีล่าเสียงเพลาเสียงเพาอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเน้นนะครับทีสส่ยัยงชนะที่สองและที่สี่ในวัชลอนั่นแหลที่วองใหนะ้ชื่อว่าท่านิตาเสียงแข็งนะครับ สียที่จะพึงออกเสียงโดยระยะยาวใช่ไหมทีฆานะได้แ่เสียาอีวเอโอชื่อว่าทีฆานะครับสียที่จะพึงออกเสียงโดยระยะสั้นกึ่งระยะยาวนะั้นได้แก่สระองอีวูชื่อว่าทัศนะครับทีฆาสียนั่นเองชื่อว่าครุนะครับทีฆาแหละเสียงยาวและได้ชื่อว่าเสียงหนักไปด้วยนะครับนีนะ อีกอย่างหนึ่งอักษรที่มีเพียงชนะสัโยกนะครับเพียงชนะซ้อนกันนะอยู่ข้างหลังเช่นยสศนั่งสมตินะครับพราะี้เพียงชนะซ้อนกันก็หมายถึงไอตัวหลังมันจะมีจุดนะครับนะเราเอาดูคำว่านั่งก็ได้นะครับระหว่างนอนูกับกอไก่นะนะครับเดี๋ยวดีกว่นี้นดีกว่าไม่ใช่ที่เพียงชนะสังโยชน์ซ้อนกันนะครับ ระหว่างกอไก่กับขอไข่ถูกไหมอักษรพิมพ์พิมพชนะสั้งโยสองกันนะครับอะไรซอนอะไรเนี่ยก็กไก่กับขอไข่กอไก่เนเป็นตัวซอนครับกอไก่ซ้อนข้างหน้าขอไข่นะครับเข้าหมายถึงว่าไอตัวโนหนูมุนถ้าตัวโนหนูมุนนะนะครับไอตัวพยัญชนะนะครับอักษรก็แล้วกันนะที่มีพิมพพิชนะสังโยอยู่ข้างหลังจะออกเป็นเสียงหนักนะครับ อย่างเช่นนอนหนูนะมีกอก่ขอไข่ที่เป็นพินชี้นั่ซ้อนกันอยู่ข้างหลังใช่ไหเข้าก็จอะเสียงหนักเป็นนั่ง น, นะครับนักงขับมติมนะเพราะว่าถ้าหน้าแเฉยมันเบาใช่ไมถ้านั่งนั่งไอ้กอก่ขอไข่ี่มันซ้อนกันยังไงครับซ้อนก็คือเขาระหว่างกองไก่ขอไข่เนี่ยไม่มีสระขั้นครับกก่ที่มีจุดเป็นตัวบอกไม่มีสระใช่ไหมขอไขส่สลามก็อยู่ข้างหลังระหว่างสองตัวนี้ไม่มีสระขั้นเลย ครับก็ชื่อว่าเนี่ยนะอักษย่อนะครับตอนนี้ญาดเพราะว่ายัดเนี่ยนะก็เป็นคั้เสียงหนังกันนะครับยัดสามนะครับนา่งขามตินะจะเป็นคร้ลูกครับลักษณะนั่นเองรักษณ ะ, สะนั้นน่เองชื่อว่าระหูเสียงเบานะครับอีกอย่างหนึ่งอักษรที่ไม่มีเพี้ยชนะสังย่อยู่ข้างหลังเช่นยัดสะมนัขามติก็จะเป็นระหูนะหน้นาเเลยใช่ไมีมก็ไม่ไม่หนัก อสอนที่ปล่อยออกด้วยวิธีกดฐานก่อนไว้ไม่ปล่อยให้ออกทางปากเต็มที่ทำเสียงให้ขึ้นจมูกชื่อว่านิ้กหินกนครับอืมอูใช่ไหมเขาว่าอังอังอังภาษาไทยในขึ้นจมูกไหมครับไม่ขึ้นอยู่แล้อังไม่้อขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมเขาว่าอังก็ขึอยู่แล้วลองสังเกตกขาว่าอังกับอ้าอ้า อ่างจะปล่อยใช่ไหมแต่ถ้าอ่งถ้าอ่งเนี่ยี่เห็นว่าตเการกดหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อเสียงมันขึ้นนะอางอ่นะครับม่งมันจะไม่ออกนะอ่านะครับแต่บางทีก็จะก็ต้องเน้นให้เยอะกว่านั้นนะอ่างฟังกันอะไรอย่างเสีายนะไปนครับอ่ทำเสียงขึ้นเจมูกอันี้ช่อวันนี้กระหิต บทที่ว่าเชื่อมกับบทอื่นต้องว่าติดกันนะเช่นตุลหัสานนะครับมาจากตุลีกับอัสสานะหรือว่าตุลหิตสานนะครับชื่อว่าสัมพันธะที่ต้องอ่านติดกันนะครับเวลาเข้าตั้งน้โมนะขึ้นน้โมโนอะ้ยไปฉีกสัมว่าเสียหายหมดเลยนะครับหน้โมตัดสะมันตัดสานเป็นบทเดียวกนันจะไปตัดในกลางนั่นน ะ, นะครับเสียะนะครับเสียหมดเลยนะ คนไทยไปทำอะไรแปลกๆอย่างนี America ้เขาไม่ได้นะครับเสียขลัเสียอะไรนะความหมายก็ไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นนะนะโมตัตสาภาคาวะโตอาระหะโตอะไรเขาว่าไงนะโมตัตสาภาคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทเนี่ยไปตัดเนี่ยสัมมาสัมพุทธสารเหมืนกันใช่ไหมครับ สามมาสามพุทธสาะสามพุทธสารนี่ติดติกัหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าไปฉีกสับเข้อไปเสียหมดเลยนะครับนี่นะครับขวดน่าจะเป็นก็ช่วดขวดก็ได้ข้าวโคตจแต่รังรอบรอบนะขวดอ่ะอ่าหน้าโมนแล้วหน้โมนเจ็ดชั้นน้โม่เก้าชั้นใช่ไหมครับหนุกสมัยก่อนนี่ก็ยังไม่ค่อยมีนะแต่เข้ามานิยมทีหลังนะครับ เนี่ยพิจะมานิยมกินหนัอย่างเงี้ยนะครับแรกของเาขึ้นหเลยครับโตโวะโตอัคัมาต้งพูดจะจะโมแตเนี่ยพอตอนที่ตเริ่มยอ๋อ่ครับจะมาตัดมอนเส้กลางนั้นนะคอตอนที่แรกผมก็ตรวดให้เป็นครับครับองมันจะเป็นตรวดกับ ข้าองก็เลยบางทีไม่ค่อยอยากว่าต่ามไนงะถ้าว่าแต่ไม่เป็นอะไรเขาไม่รู้เราก็ว่าตามตามงานใช่ไหมแต่ถ้าในว่าเราผมไม่ค่อยอยากจะให้มันว่าอย่างนั้นนะ่ะไปฉีกสาวนะ่ะถ้าในวัดเดียวกันอย่างงี้นะรู้ทั้งรู้ว่อย่างนี้นไม่ถูกใช่ไหมครับนะี่นไม่น่าจะไปนําอย่างนี้นอีกนะครับ <c> ค <oughs> ิดว่ารู้กันนอกจากว่าซ้อมซ้อมไปงานไปข้าข้อใช่ไหมแต่ถ้านาธรรมดาไม่น่าจะไปฉีกอย่างนี้ น, นะครับให้มันถูกต้องหน้าตามขล่าตามทำนะ น <c oughs> ะครับืออบทที่แยกว่าต้องว่าแยกกันไม่เชื่อมกับบทอื่นเช่นตุนิอัสานะครับชั่อว่าวิกิตาต้องแยกกันอัคระที่เปล่งออกไม่กดฐานกรไว้ก็เปล่งออกธรรมดาอ่าออ อ, อีแล้วไม่ได้ขึ้นจมูกใช่ไหมปล่อยเสียงออกทางปากเต็มที่ไม่ทําเสียงให้ขึ้นจมูกชื่อว่าวิมุตนะครับกอรระหว่างสังเกตเขาว่า อังกับอาเห็นชัดเจนเลยอังนี่มันเกาะขึ้นจมูกใช่ไหมแต่อานี่จะปล่อยปากเต็มที่อังอาอังอาเนี่ยจะเห็นความแตกต่างชัดเจนต่อไปท่านจะยกตัวอย่างนะครับการออกเสียงผิดที่ทำให้กรรมวาจาเสียในเพียงชนะประเภทมีศระเป็นต้นเหล่านั้นบทที่จะพึงสวนว่าจุนาจุเมพันเด ออกเสียงต่าเป็นถันนะครับว่าสุนาทรคือคําว่าตุเนี่ยเป็นเสียงเบาหล่อเป็นถูนะครับเสียงหนักนะครับเมชื่อว่าออกเสียงธนิษฐ์อสิติละเป็นธนิษฐนะครับเสียงเบาหล่เป็นเสียงหนักนะะบทอาจจะพึงสวดว่าพันเดสังโฆใช่ไหมออกเสียงพระหนาหนัก น, นะครับเป็นพนระเบา ออกเสียงฆ่าหนักเป็นฆ่าเบาว่าพันเตลังโกนี่นะครับชื่อว่าออกเสียงทนันต์แตะให้เป็นสิทธิละ น, นะครับใชไ้ได้นะส่วนบทอันจะพึงปล่อยเสียงออกทางปากออกปากเต็มที่ว่าสุนะสุนนะตุเมกลับวว่ายเสียงขึ้นจมูกเป็นสุนันตุนนะครับบางทีบางคนก็อยากจะขึ้นจมูกไงเพราะว่าไอตัวแน้นอนแนนใช่ไหม ไม่เยอะขึจมูกหน่อยน่ใช่ไหมครับแต่มาทีไปเน้นเกินนางออกเป็นนางไปอย่างนี้นาใช้ไม่ได้นะครับถุกนาครับถุนนางอย่งไม่ได้ต้องนางครับกัจารย์เจดสย์นาโซนารมีพันโขเอเลยกลับไป ขึ้จมูกเป็นศูนนั้นตุเมนครับชื่อว่าออกเสียงวิมุดเป็นนิ้กหินนะครับเสียงเปล่าเป็นเสียงกด น, นะ <c oughs> คําที่จะสวดโดยไม่ปล่อยให้ออกปากเต็มที่ทำปากเต็มที่นะครับทําเสียงให้กลับขึ้นจมูกว่าปะตะกันลังเนี่ยลงังต้องขึ้นจมูกนะครับปะตะกันลังต้องขึ้นจมูกนะครับกลับสวดไม่ทําไม่เสียงขึ้นจมูกว่าปะตะกั น, นกากลาปล่อยนะ มีบัติเลยนะครับต้นลังนะประตัะกำลังนะครับ <c oughs> <c oughs> ชื่อว่าออกเสียงนี่ก็หติตให้เป็นวิมุตต์เหล่านี้เพ่อนนะฉะนันสี่เหล่านี้นะครับคือสี่ข้อเนี่ยนะเสียงหนักเป็นเสียงเบาเสียงเบาเป็นหนักเสียงขึ้นจมูกไปไปล่อยเสียงปล่อยไปขึ้นจมูกสี่ข้อนี้นะครับทําผิดนีิกธรรมวาจายิบัติเสียหายอะไรนะใช้ไม่ได้นะครับ การออกเสียงสิทธิแรกให้เป็นทนิตะการออกเสียงทนิตะให้เป็นสิทธิแากการออกเสียงวิมุตให้เป็นนิกขีการออกเสียง น, น, น, น, นิกขีให้เป็นวิมุตย่อทํากำให้เสียในภายในกรรมวาจาด้วยประการชนิดนะครับจึงอยู่พิสูจน์้ส่วนอย่างนั้นในเมื่อขระอื่นอันตอนควรว่ากลับว่าขระอื่นท่านเรียกว่าสูตรผิดนะครับใช้ไม่ได้เลยต่อไปนะครับส่วนในเพียญชนะหกนอกนี้นะครับ มีทีฆะและละักษาเป็นต้น อ, อันพิสุพูดสวนกรรมวาจาควรว่าอัคะนั้นนั้นแหลนะครับเมีที่เหลืออะไรนะเสียงสั้นเสียงยาวใช่ไหมแล้วก็อนนะไรเสียงสั้นเสียงยาวเสียงหนักเสียงเบาเสียงติดกับเสียงแยกครับนะครับก็เขาไม่ถูกต้องก็าตามฐานอย่างนี้คือว่าฐานในที่อย่า ง, างว่าทีฆะในที่อย่างทีฆะ ว่ารักษาในที่อย่างรักษานะครับอย่าให้บทเพลนี้อันมาแล้วดูวลําดับศูนย์เสียการทำกรรมมาวาจาถะะึงแต่พิสุผู้สุกรมมวาราไม่ว่าอย่างนั้นว่าทีค่ายเป็นรักษานะว่ารักษาให้เป็นทีฆ่าก็ดีว่าครูให้เป็นรักหุหรือว่ารักหูให้เป็นครู้ก็ดีกรรมมาวาราย่อมไม่เสียในฐานะที่สมควรนะ หมายถือว่าหข้อนี้นะเสียงสร้างเสียงยาวเป็นต้นนะครับถ้าเราออกไม่ตรงกันนะเสียงสร้างเป็นเสียงยาวเสียงยาวเสียงสร้างเป็นต้นนะครับถ้าไม่ทำความหมายให้มันเปลี่ยนนะมันยังได้ความหมายเหมือนเดิมนะครับตรง น, นั้นก็ไม่เสียนะถือนะว่าในคณะที่สมคูรนะครับเช่นคําว่าพิกขูนางพิกขูนางใช่ไหมเราออกเป็นพิกขูนางนครับซึ่งภาษา บ, บังกก็ใช้ทั้งสองสัมนะ ขูก็ได้ขูก็ได้ความหมายเหมือนกันเลยไม่ผิดนะครับอันนี้ชื่อว่ากำวมามาจากไม่เสียในฐานอันนี้นะแต่ถ้าบางอย่างนะที่จะทําทให้ความหมายมันเพี้ยนไปอะไอยนะครับอันนั้นไม่ได้นะต้องว่าตานเลยข้อวหูสูบเป็นข้าวหูสู่เนาะทีนี้เป็ น, สนะปนสรสนียได้นักคำมตินะครับเป็นนักคำมตินะครับไม่ได้นักเอดาได้นะความหมายยังเหมือนเดิมนะครับย่อมไม่ชอบใจเนี่ยนะ เขาเป็นหน้าเราแต่ในฐานะที่ไม่สมควรในฐานะที่ไม่สมควรความหมายมันเปลี่ยนไปเลยนะ<ฮ>ไม่ได้นะเช่นนาโคแปลชื่อนาค้านะครับก็เป็นนาโคลที่ถ้าเป็นลักษณะข้อมหมายเปลี่ยนไปเลยนะในนาคาก็เป็นนาค้านะครับนาโคแปลว่าผา้รหันพญานาค์นะครับแต่ว่านาโคลหมายถึงต้นไมน้นะครับความหมายเปลี่ยนนะ นั่นก็ น, นะครับสังโคใช่ไหมเป็นสาสโคนะครับอันนี้เสียเลยนะครับไ <c oughs> อสังเนี่ยเป็นเสียงอะไรนะเสียงหนักใช่ไหมครับออกเป็นสาสเสียงเาเนี่ยผิดเลยนะครับ <c oughs> ติโสก็เป็นติโสโคลาโคลเลยนะเนี่ยใช่ไม่ได้นะครับอันนี้ขลุเป็นระหุยาจัมติออกเป็นยายาจติเนะออกเป็นยาจันติระหูเป็นคลุกขมวาจายอดเสียเพราะความหมายเปลี่ยนน่ะ ายาจิตติมีใช้กับคนเดียวนะครับยาจันติมีใช้กับหลายคนผมไปสั่งก็เลยคือเพี้ยนเลยนะครับใช้ไม่ได้อ น, นี้ส่วนการว่าบทเชื่อมสนธิกันให้แยกกันเช่นตุนหัสสารนะครับแล้วก็ไปแยกเป็นตุนหิอัสสารนะอันนี้ความหมายเดิมเราใช้ได้หรือว่าบทแยกกันให้เชื่อมสนธิกันก็ดีบางทีมาทําสนธิได้ใช่ไหม ติดสันจะนาคันจนะครับเป็นติดสันจะนาคันจะดังนี้นะสมควรต้องแหงนะครับไม่ทำกำากรรมวาจาให้เสียเลย ก, ก็คำใดที่พระสุตตันติกาเถระทั้งหลายกล่าวว่าถ้ากลายเป็นต่าได้นะครับต่ากลายเป็นทะได้จากกลายเป็นชาได้ชากลายเป็นจ่าได้โอ้ยมัน <c oughs> พลัตตัวเลยนะ แยกาการกัดกาได้กัดการเป็นย่างได้เพราะฉะนั้นเมื่อควรจะว่าธาตุเป็นต้นว่าเป็นตากเป็นต้นเสียก็ไม่ผิด น, นี่นะพตระตามติดกะนะครับผู้ส่วนพระสู่นับอกว่าได้คํานั้นถึงกรรมวาจาและย่อมไม่สมควรแต่ถ้าเกี่ยวกับารสูตกรรมวาจานี้ไม้ได้ใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะเห็นนั้นพระวินัยทรไม่พึงว่าธาตุเป็นตะละนะครับ ไม่พึงว่ากากเป็นยะนะพึงสวดกรรมาวาจาชําระภาษ า, าตามควรแก่บาลีหลีกท่อที่ต่างแล้วนะครับแห่งภาษาคือเพียญชนะทั้งสิ่อย่างเสียจริงอยู่เมื่อว่าจ่ปการนอกนี้นะแล้วนะครับไม่ได้ว่าตามฐานกองตามเพียรชนะเนี่ไนะปว่าอย่างอืนเสียเนี่ยชื่อว่าทิง้งหนังวิสาวนาเสีนะครับวิบัติเหอกันอธิบายข้อห้าว่า ส่วนอนุสาวนาในการไม่คัวรมีพวามว่ า, วางงดยติไว้ทำอนุสาวนากรรมสีก่อนแล้วต้องตั้งยติก่อนแล้วนี่กับขึ้นอนุสาวนาก่อนนะครับในสมัยที่ไม่ใช่โอกาสห่อนุสาวนาแล้วตั้งยติในภายหลังกรรมย่อมบีบัต ด, ด้วยอนุสาวนาด้วยอาการห้านี้ด้วยประการชนีน้เราไปสีมาไม่บัเสีมาไมา่บัดอีกข้ามไปเลยใช่ไหมเราผ่ามแล้วนะครับ ไม่เจ็บคอนไม่ไหวเลยอ้าวใครจะช่อผมอ่านนี่แล้วแล้ไอ้ตัวตัวอเป็นพอพอเป็นเป <ฮะ S 2> ็นดาวอ๋อไอนพอใช่ไหมค่ะไอ้พอทำบอลโถกับทอทหารใช่ไหมครับทอทหารครับออกไปทอทำบอลโถใช่ไหมถ้าว่าฐานกรมันได้ไนคะครับไม่เพียงฐานกรงเท่านั้นใช้ได้เหม่อนกันนะครับหรือว่าเขาแตะได้ถูกลูกฝานตรงนั้นนะครับ แต่ถ้าหากรอไม่ได้ใช่ทางนี้ก็ไม่อาเ่เอาใจครับพุก็ไม่เป็นพุทธใช่ไหมโมไม่ห้เป็นพุทธเลยเป็นพุทธดัครับถ้าว่ามันได้ฐานกรก็ยังยังถือว่าได้นะครับถ้าไม่ได้ฐานกรก็ไม่ได้ครับของพวกฝรั่งใช่ไหมฝรั่งเขามีพอฐานกว่าเราเขาเป็นพุทธ บุตดาเ่เขาแบบเป็นพุทธาข้ออกพุทธาเป็นไ้มครับข้างหลังมีข้างบนเลยครับใยไม้อะครพุทธาพุาสีมาพุ่มบานเนาะได้หน่อขออ่านสีมาได้หน่อยก็แล้วแ่ยังไงก็ถ่ายกสารให้แล้วฟังเลยกัน สีมาไม่บังนะครับเอ้จะก็หอมข้อค อ, อ้นนะอยเวลานะครับถามว่ากรรมย่อมิบังโดยสีมาอย่างไรตอบว่ากรรมย่อมิบังโดยสีมาด้วยอาการเอ็ดอย่างคือหนึ่งสีมาเล็กเกินไปอาจจะลองถามเล็กมันได้ขนาดไหนครับไม่ดได้ใช่ครับสีมาใหญ่เกินไปขนาดไหนครับเป็น ส, สามโยนะครับสีมามินิไม่ขาด ทางนี้ไม่เชื่อมกันใช่ัหมครับสีมาใช้เงาเป็นนิมิตนะครับอันนี้ชัดเจนนะนะเข้าต้นไม้เข้าภูเขาใช่ไหมอันนี้เอาเงาไปเลยมันตอต้นสีมาหานิมิตไม่ได้ก็ไม่ทักนิมิตเลยนะครับวิงทีก็สมมุติันขึ้นมาเลยนะนะครับแ้วก็หกนะครับสีมาที่สมมุติอยู่ภายนอกเขตนิมิตแล้วสมมุตินะครับไม่ได้ ไอตอนที่จะสมมุติต้องเข้าไปอยู่ในเขต น, นะครับแล้วก็สมมุติขึ้นสีมาที่สมมุติในแม่น้ำนก็สมมูงไม่ขึ้นเพราะแม่น้ำเป็นสีมาธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมเราจะมาผูกเป็นพัดท้สีมาไม่ได้เพราะเขาเปา็นรรอับพัท้าสีมาอยู่แล้วนะครับสีมาที่สมมุติในทะเลเหมือนกันสีมาที่สมมติในสระธรรมชาติก็เหมือนกันครับสีมาที่สมมุติข้าเกี่ยวสีมาของผู้อื่นด้วยสีมาของตนนะครับ เพราะว่าไปไปทับสีมาคนอื่นหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าพระสีรูปไปนั่งไม่ได้นะครับเข้าไปอยู่ไม่ได้สีมาที่สมมติทับสีมาขอผู้อื่นด้วยสีมาของตนตั้งแต่พระสีรูปเข้าไปอยู่ได้ขึ้นไปนครับจนถึงทั้งหมดนะชื่อว่าถ้ำนะครับไปสมมุติถ้ำนะเพราะไม่รู้กันใช่ไหมของใครอยู่ตรงไหนไปส่วนตั้มนะครับผก็เลยปเป็นทับของเก่า น, นี่ก็วิบัตินะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยนิยมถอ น, อนก่อนใช่ไหมครับ ถึงไม่รู้ว่าสีตรงเนี้ยสีมาใครมีไม่ใคมีก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ทอก้อนก่อนเนั่นเลยนะครับเพรากันไม่เผื่อว่าสมัยอดีตเน่ะอาจจะมีใครมาสมมุติสีมาไว้ตรงนี้นะเราก็ไม่รู้นะครับเราเห็นมันเป็นวันป่าใช่ไหมเพิ่งมาสร้างอะไรใหม่เนะี่ยแต่ไม่แน่สมัยก่อนอาจจะเคยมีใครมาสมมุติสีมาไว้อาจจะเคยลุงเลี้ยงก็ได้ใช่ไหมครับมาตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วล น, นะสภาพอะไรก็เปลี่ยนนะ กรรมย่อมมิบัติโดยสีมาด้วยอาการสิบเอ็ดอย่างก็จบก่อนแค่นี้ก่อนครับอีกวันเนี่ยจบอีกสองวันเนี่ยจบนะวันนี้ก็เท่นี้ก่อนครับในฐานสูงขอความเจริญงอกในธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเกทิดทุกงหลายด้วยการทุกท่านเท่านั้น